ส่วนภาษาริบุตรอธิบายไว้จุลนิเทศนีนะอธิบายไว้พูดถึงอันตรายทั้งหลายยาวเลยว่าอันตรายภายในอันตรายภายนอกเป็นต้นเนี่ยนะที่นายคาถาบอกว่าพระประเจกพรพุทธเจ้าเหล่านั้นมีปกติอยู่ตามสบายในทิศทั้งสี่ไม่มีความขัดเคืองยินสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ครอบงมอันตรายไม่มีความหวาดเสียวเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกเนี่ยนะ ท่านบอกว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาแผ่ในทิศที่หนึ่งที่สองที่สที่สี่เหมือนกันโดยทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางมีใจประกอบด้วยเมตตาเป็นใจที่กว้างขวางเป็นมหาคตะมีสัทธาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานอันนี้คือว่าอยู่ด้วยเมตตาของพระปเจกพุทธเจ้าเป็นอัปปมัญญานะ มีใจประกอบด้วยกรุณามีใจประกอบด้วยมุ้ทิตามีใจประกอบด้วยอุเบกขาแผ่พรมิหารเหล่านี้ไปในทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สฉันนั้นเหมือนกันโดยนยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวา ง, า ง, างมีใจประกอบด้วยกรุณาประกอบด้วยมุ้ทิตาประกอบด้วยอุเบกขาเป็นจิตกว้างขวางเป็นมหคตะถึงความเป็นใหญ่มีสัทธาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียน แผ่ไปตลอดโลทั่วโลกทั่วทุกสัตว์ในทุกสถานคําว่ามีปกติอยู่ตามสบายในทิศ ท, ทั้งสีไม่มีความขัดเคืองอธิบายว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นเพราะเป็นผู้เจริญเมตตาจึงไม่มีความเกลียดชังในสัตว์ทั้งหลายในทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศอัคนีฮรดีพายาบอีสานเบื้องตามเบื้องบนทิศใหญ่ทิศน้อย สรุปในทุกทิศเนี่ยนะเพราะอนุภาพของเมตตาทําให้ไม่เกลียดชังสัตว์ด้วยอนุภาพของกรุณามุทิตาอุเบขาจึงไม่เกลียดชังสัตว์ในทั่วทุกทิศไม่มีสัตว์เป็นที่รังเกียจแปลกนะว่าใครที่บอกว่าออ้ยเจริญวิปัสสนาที่จะออกจากวัตาเนี่โอโ้ยเป็นลักษณะเกลียดไปหมดเลยไม่ใช่นะเมตากับสัตว์ทุกหมู่ทุกเหลา่าวตาเนี่แปลกนะ ชอบมากก็ออกจากวัตฏะไม่ได้เกลียดด้วยโทสะก็ออกจากวัตฏะไม่ได้ต้องปฏิบัติเยียบคายต้องไม่มีอภิชาและโทมนัตเจริญปัญญาไปแล้วจึงจะออกจากวัตฏะได้ไม่อยงนั้นคนขี้โกรธก็บรลุหมดนะเกลียดไปหมดเกลียนะเอื่อมไปหมดแล้วจะบรลุไม่นะจะต้องไม่ครอบไม่ถูกครอบงำด้วยอภิชาและโทมนัตแล้วก็สันโดษปัจจัยตามมีตามได้เป็นต้นเนีนะ ก็คือปฏิบัติอยู่ในอริยวงนะอริยวงสินดีในปัจจัยตามมีตามได้หรือว่าพระประเจกับพสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้สันโดษ ด, ด้วยจีวรตามมีตามได้กล่าวสันเสริญความสันโดษ ด, ด้วยจีวรตามมีตามได้ไม่ถึงความสแสวงหาผิด อันไม่สมควรเพราะเหตุแห่งจีวรไม่ได้จีวรก็ไม่สะดุ้งแม้ได้จีวรก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่ผัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องพิจารณาก่อนบริโภคนะีมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษ ด, ด้วยจีวรตามมีตามได้พระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านมีสติสัมปชัญญะสันโดษในจีวร น, นั้น นี้เรียกว่าพระประเจกขพุทธเจ้าว่าผู้นำรงอยู่ในวงของพระอริยะที่ทราบกันว่าเป็นวงอันเลิศมีมาแต่โบราณ น, น, นะพระประเจกขพุทธเจ้าสันโดดด้วยบินทบาทเสนาสนะและขิลานะปัจจัยเภสัชบริขารก็เหมือนกับจีวรคือโดยหลักการก็คือสันโดดด้วยปัจจัย4ตามมีตามได้ไม่แสวงหาผิดเพราะเหตุแห่งปัจจัย่ไม่ได้ปัจใจสี่ก็ไม่สะดุง้ง ได้ปัจจัยสี่ก็ไม่ติดใจไม่หลงไหลไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกแล้วบริโภคไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความสันโดษในปัจจัยสี่พระปจเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้ไม่เกียจคร้านมีสติสัมปชัญญะสันโดษในปัจจัยสี่เรียกว่าผู้ดํารงอยู่ในวงของพระอริยะหรืออริยะวงนั่นเอง มีพรหมิหารสี่ก่อนใช่ไหมตอนแรกมีพรหมิหารสี่ต่อไปสันโดษในปัจใจสี่ตามอริยวงเสร็จแล้วก็ครอบงามอันตรายคําว่าอันตรายนี้มีอยู่สองประการด้วยกันคืออันตรายปรากฏกับอันตรายปกปิดแปลว่าเปิดเผยกับปกปิดอันตรายเปิดเผยเป็นอย่างไรอันตรายปรากฏหรืออันตรายเปิดเผยคือราช ส, สีเสือโครงเสือเหลืองมีเสือดาวมา้าป่า โคกระบือช้างงูแมลงป่องตะขาพวกโจนคนที่ทํากรรมแล้วหรือยังไม่ได้ทํากรรมก็พวกโจนทั้งหลายเนี่ยนะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีษะโรคทั้งหลายพวกนี้มันก็ถือว่าอันตรายที่ปรากฏเปิดเผยโรคฟันโรคโรคปากโรคฟันโรคไอโรคเรโรคมองข้อร้อนในโรคพร้อมโรคท้องลมวิงเวียนลงแดงจุกเสียดลงท้องโรคเรือนสีกลากโรคหืดลมบ้าหมูหิตด้านหิดเปื่อยโรคคันเนี่ยนะ พวกขี้เรือนกวางโรครักกระปิดรักกระเปิดโรคดีเบาหวานฤทศดวงต่อมแดงบานทโรคอาภาษที่เกิดจากดีเสมหลมหรือสันนิบาตกันอุตุปแปรไปหรือเพราะอิริยาบถไม่เท่ากันเนี่ยนะเช่นอิริยาบถไม่สม่ำเสมอก็เลยป่วยเลยหรือว่าอาจจะเกินเกิดความพยายามเพียนเกินไปเช่นยกสลังดาะหมดอย่างเงี้ยนะหรือเกิดจากผลของกรรมความหนาวความร้อนความเยื้กความกระหาย อุจระปัสสาวะสัมผัสที่เกิดจากเหลื่อยยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนี้เรียกว่าอันตรายปรากฏและเปิดเผยเนี่ยนะรู้กันว่าการถึงโรคเหล่านี้อันตรายเหล่านี้ก็เห็นเห็นกันอยู่รู้รู้กันอยู่ส่วนอันตรายปกปิดเป็นไงเนี่ยนะปกปิดแหมคนแบบไม่คิดนะว่ามันอันตรายเช่นทําความชั่วทางกายทําความชั่วทางวาจาคิดชั่วด้วยใจเนี่ยนะโดยเฉพาะคิดชั่วด้วยใจใครคิดว่ามันอันตรายบ้างเขาเรียกว่าปกปิดนะ กามาฉันทานิวรพยาบาทนิวรทีนมิทธานิวรอุทจักกุกุจานิวรและวิจิกิจานิวรนิวรหท่านบอกว่าเป็นอันตรายปกปิดง่วงง่วงนี่ใครคิดว่ามันอันตรายบ้างนะเวลาเว้นแต่เวลาขับรถใช่ไหมโอ้เวลาขับรถนี่ง่วงอันตรายแต่ถ้าเวลาอื่นใครคิดว่าง่วงแล้วมันอันตรายบ้างอันตรายต่ออะไรอันตรายต่อกุศลเดี๋ยวค่อยว่าว่าอันตรายนี่หมายความว่ายังไงหรืออกุศลทั้งหลายเช่นราคะโทสะโมหะพวกนี้ก็เป็นอันตรายปกปิด ความโกรธความผูกโกรธลบหลีตีเสมอริษยาตรีหลอกความหลอกลวงโอ้อวดกระด้างแข็งดีถือตัวดูหมิน่นมัวเมาประมาท ก, กิเลสสารพัดชนิดทุจริตทั้งปวงความกวนความกระวนกระวายความเร่าร้อนความเดือดร้อนอกุศลาพิสังขารสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าอันตรายปกปิดอากุศลธรรมทั้งหลายความชั่วทั้งหลายเรียกว่าอันตรายปกปิดไม่มีใครคิดว่ามันอันตรายสักเท่าไหร่เนี่ยนะ ไอ้คาว่าอันตรายนี hmm. ่ม mm ีความหมายว่าอย่างไรบอกว่าชื่อว่าอันตรายนี่มีความหมายว่าครอบงํามีความหมายว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมมีความหมายว่าเป็นที่อายู่อาศัยของอกุศลธรรมในอัตภาพคําว่าอันตรายเนี่ยนะที่บอกว่ามีความหมายครอบงําเป็นอย่างไรอันตรายที่เรียกว่าครอบงําก็เพราะว่ามันครอบงํามันท่วมทับท่วมทับเบียดเบียนบุคคลนั้นก็เลยเรียกว่าอันตราย เพราะมันครอบงำนะอันตรายเปิดเผยหรือปกปิดก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันท่วมทับเบียดเบียนผู้ที่ถูกอันตรายครอบงำแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนใช่ไหมบาปอาคุเรียกว่าแบ่งออกเป็นโรคกายกับโรคใจแปลว่าเบียดเบียนทางกายและจิตใจเนี่ยนะถูกครอบงำท่วมทับทางร่างกายแล้วก็จิตใจถามว่าที่ชื่อว่าอันตรายเนี่ยนะอันตรายเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมเนี่ยเป็นอย่างไร มันเสื่อมยังไง่าเงินบอกว่าอันตรายเหล่านั้นที่บอกว่าเป็นไปเพื่ออันตรายเพื่อความเสื่อมแห่งกุศ ality, ลธรรมทั้งหลายอันตรายเนี่ยมันทําให้เสื่อมกุศลอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่ออันตรายเพื่อความเสื่อมแห่งกุศลเหล่านี้เขาบอกโอ้ถ้ามันอันตรายแล้วกุศลเสื่อมนะเอ้าแล้วกุศลไหนเสื่อมล่ะ อันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งกุศลธรรมเหล่านี้คือการปฏิบัติชอบการปฏิบัติสมควรการปฏิบัติไม่เป็นค่าศึกการปฏิบัติไปตามประโยชน์การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมความเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนนความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะก็คืออะไรสัมมาปฏิปทา น, น, นะสามีจิตปฏิปทาอปั จ, จนิกาปฏิปทาแล้วก็ธรรมานุธรรมะปฏิปติความบริบูรณ์ในศีลอินทรีย์สังวรโพชเนมตันยุตาชาคริยานุโยคสติสัมปชัญญา น, น, นะการเจริญโพธิปัจหยธรรมมีสติปัญสัมมปาปัญติอิทธิบาทอินทรีย์พระโภชฌงและองค์มรที่เรียกว่ามันอันตรายก็เพราะอันตรายต่อการปฏิบัติจารณะทั้งหลายเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติใน โพธิที่ปัจจยธรรมทั้งหลายก็เลยเรียกว่าอันตรายเนี่ยนะนี่อันตรายในความหมายของพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าอากุศลเนี่ยนะมันอันตรายเนี่ยก็บอกว่าอากุศลทั้งหลายที่เรียกว่าอันตรายเพราะอากุศลละธรรมเหล่านั้นมันอาศัยอยู่ในอัตภาพอากุศล น, นี่มันแทรกอยู่ในใจนี่สิเลยเรียกว่ามันอันตราย หรืออันตรายภายในเช่นอันตรายภายนอกคือโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียน er หรืออันตรายที่เกิดจากอกุสลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะมันอาศัยอยู่ข้างในก็เลยบอกว่ามันอันตรา ย, ยเช <ร rocket. S 1> <ๆ>่นอะไรเช่นว่าสัตว์ที่อาศัยพโพรงก็อยู่ในโพรงสัตว์อาศัยน้ำก็อยู่ในน้ำสัตว์อาศัยป่าก็อยู่ในปา่าสัตว์อาศัยต้นไม้ก็อยู่ที่ต้นไม้ฉันใดอกุศลเนี่ยมันเกิดที่อัตภาพนี่สิมันก็เลยเรียกว่าอันตราย ถ้าถ้ามันแบบอะไรนะสตรูในกับสตรูสตรูไกลกับสตรูใกล้สตรูภายในกับสตรูภายนอกไหนน่ากลัวกว่ากันอ่ะนะภายในเนี่ยมันน่ากลัวที่สุดเนี่ยอกุศลมันเกิดอยู่ที่ไหนอ่ะมันเกิดที่สุดของที่ข้างในในที่สุดก็คือในใจนี่สิแม่มันสตรูมันลงถึงใจด้วยนี่มมันหนักใจแล้วเกินยังนะนะสตรูมันเข้าถึงใจแล้วใช่ถ้ามันอยู่ไกลๆเนี่ยค่อยยังชั่วแตมันเข้าถึงใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันทำไง ก็บอกว่าอย่างถ้าเป็นบ้านเมืองเนี่ยนะถ้าศัตรูยังอยู่นอกกำแพงเมืองก็ไม่น่าหนักใจแต่ถ้าศัตรูทะลุกำแพงเมืองมาแล้วก็เตรียมวอดได้แล้วเหมกันวอดวายสนจริงตามที่พระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิสูุ์ทั้งหลายผู้อยู่ร่วมกับกิเลส ท, ที่เป็นอันเตวาสิกเขาเรียก <c oughs> ว่าอะไรนะอยู่ร่วมกับกิเลส ท, ที่เป็นสิทธิ์อยู่ร่วมกับกิเลส ท, ที่เป็นอาจารย์ย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่พราสุก กิเลสนีม่มันอยู่ในฐานะสิทธิ์กับอาจารย์มันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะทุกข์ขนาดไหนดูก่อนพิสูจทั้งหลายผู้อยู่ร่วมกับกิเลสที่เป็นลูกศิษย์อยู่ร่วมย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่ผาสุกเป็นอย่างไรดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะเห็นรูปด้วยตาอากุศลธรรมอัลลามกที่ดำริถือระลึกถึงประโยชน์อันเกื้อกูลแก่สังโยชนิย่อมเกิดแก่พิสูจนในศาสนานี้อากุศลธรรมอัลลามกเหล่านั้นย่อมอยู่ สร้างไปภายในจิตของภิกษุนั้นเรียกว่าอยู่ร่วมกับกิเลสที่เป็นลูกศิษย์ภายในแปลว่ามองเห็นกิเลสก็เกิดหูได้ยินจมูกรูกลิ่นลิ้นรับรู้รสกายรับกระทบโพธิภาพใจนึกคิดเรื่องราวและอกุศลมันเกิดอยู่ในนั้นเลยแหละเรียกว่าอยู่ร่วมกับลูกศิษย์ภายในเหมนนนะลูกศิษย์ที่อยู่ในใจเลยแหละอันนี้ทุกแน่ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอยู่กับอาจารย์ ที่อยู่ร่วมกับกิเลสที่เป็นอาจารย์ดูก่อนภิสูจนทั้งหลายผู้ที่ขณะที่อกุศลธรรมอัลลามกครอบงำเนี่ยนะขณะที่ถูกอกุศลมันครอบงำเรียกว่าอยู่ร่วมกับกิเลสที่เป็นอาจารย์ถ้าอกุศลวิตกแผ่สร้างออกไปเรียกว่าอยู่ร่วมกับสิทธุถูกอกุศลมันครอบงำท่วมทับเรียกว่าอยู่ร่วมกับอาจารย์ในทวารทั้งเนี่ยนะในทวารหเลย นี่ยก็เลยเรียกว่าอากุศลเพราะมันเป็นที่อยู่คือมันอยู่ภายในก็เลยเรียกว่ามันอันตรายสมจริงดังพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสอีกสูตรหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะสามประการนี้เป็นเครื่องเศร้ามองในระหว่างเป็นภัยรีคือ ผ, คววาานนะผู้สร้างความพินาศในระหว่างระหว่างแปลว่าภายในเนี่ยนะมณทินภายในผู้สร้างความพินาศภายในศัตรูภายในผู้ฆ่า ภายในฆ่าศึกภายในสามประการวันฟังแล้วน่ากลัวใชเพราะมันกลัวจริงๆเอออะไรเครื่องเศร้าหมองภายในใช่ภรีผู้สร้างความพินาศภายในศัตรูภายในผู้ฆ่าภายในฆ่าศึกภายในแลยิ่งว่าเชื่อไวรัสทั้งหลายอนี้นะดูก่อนพิสูจทั้งหลายโลภะเป็นมนทินภายในเพชอะผู้ภารีคือเพชศัตรูผู้ฆ่าภายในฆ่าศึกภายในโทสะโมหะเป็นต้นก็เป็น เรื่องเศร้าหมองภายในภัยรีภายในศัตรูภายในฆ่าศึกภายในนี่แหละเรียกว่าภัยรีศัตรูผู้ฆ่าฆ่าศึกภายในเพราะอะไรเพราะโลภะโทสะโมหะยังโทษอันไม่มีประโยชน์ให้เกิดโลภะโทสะโมหะทําจิตให้กําเริบภัยคือความน่ากลัวที่เกิดภายในคนพานไม่รู้สึกถึงภัยนั้นเวลาราคาโทสะโมหะเกิดใครคิดว่ามันมีภัยบ้าง ใครคิดว่ามันน่ากลัวทั้งๆ ท, ที่ว่ามันน่ากลัวที่สุดเนี่ยนะคนโลภคนโกโรธคนหลงย่อมไม่รู้อัฏฐะคนโลภคนโกโรธคนหลงย่อมไม่เห็นธรรมะขณะที่โลกครอบงําไม่เห็นอริยสัจไหมไม่เห็นเนี่ยนะโลภโทสะโมหะครอบงําครอบงำนรชนขณะใดความมืดตื้อก็มีใ น, ในขณะนั้นมันมืดเนี่ยนะมืดตาใสนี่สิก็เลยมองเห็นนะแต่มันมืดเอาสิ ก็คิดดูนะสมมติว่าเราเครียดขึ้นมาแล้วมันคิดอะไรออกบ้างอ่ะเวลาชอบอะไรเกินไปมันมีปัญญาคิดอะไรบ้างสักอย่างไหมถ้าโง่ด้วยก็หมดสิทธ์แล้วนะอีกสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่ามหาบาพิษ ธ, ธรรมะอันกระทำอันตรายสามประการนี้เมื่อเกิดภายในย่อมเกิดเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความทุกข์เพื่อความไม่ผาสุก อันตรายสามประการเป็นไฉนดูก่อนมหาวพิษอันตรายคือโลภะโทสะโมหะนี่แหละเมื่อเกิดขึ้นในภายในย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เพื่อความไม่ผาสุกนี่แหละเรียกว่าอันตรายภายในเนี่ยนะอันตรายภายในกล่าวเป็นคาถาประผ์ว่าโลภะโทสะโมหะเกิดในตนย่อมเบียดเบียนบุรุษผู้มีใจเป็นบาป เหมือนขุยไผ่เกิดแล้วในตนเองย่อมเบียดเบียนต้นไผ่ฉะนั้นเมื่อัดกิเลสที่เกิดในใจเนี่ยนะทำลายตัวเหมือนขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่สนิมเกิดเพื่อทําลายเหล็กลูกม้าอัสดรที่เกิดในแม่ม้าเพื่อทําลายแม่ม้าลูกกล้วยเพื่อฆ่าต้นกล้วยฉันใดอกุศลทั้งหลายก็ฉันนั้นราคะโทสะโมหะอระติและระติไม่ยินดีในกุศลยินดีในวัตถุกรรมทั้งหลาย ความเป็นผู้ขนลุกขนพองเกิดมีอัตภาพนี้เป็นเหตุย่อมเกิดในอัตภาพนี้ความตรึกในใจนั้นตั้งขึ้นในอัตภาพนี้ย่อมผูกสัตว์เอาไว้เหมือนพวกเด็กๆผูกกาเอาไว้เะนั้นเลยเรียกว่าอันตรายนี่นะอันตรายเพราะมันท่วมทับมันบีบคั้นถ้าครอบงำอันตรายก็ทำลายอันตรายเหล่านั้นทั้งภายในครอบงำทั้งอันตรายภายนอก ทำว่าผู้ไม่มีความหวาดเสียวคือไม่คลาดไม่หวาดไม่เสียวไม่สะดุง้งไม่หนีผู้ละความกลัวละความคลาดได้แล้วปราศจากความเป็นผู้ขนลุกขนพองเรียกว่าผู้ครอบงาอันตรายไม่มีความหวาดเสียวเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรก พระปเจกับพุทธเจ้านั้นมีปกติอยู่ตามสบายในทิศทั้งสี่ด้วยพรหมิหารทั้งสี่ไม่มีใจขัดเคืองด้วยอกุศลสันโดษในปัจจัยตามอริยะวงครอบงำอันตรายภายในและภายนอกไม่มีความหวาดเสียวเที่ยวไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดผู้เดียวเหมือนหน่อเร็จฉะนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวพักสักครู่กัน